ต้องสำรวจตัวเองบ่อยๆนะนี่ถึงปีก็เป็นเวลาสํารวจครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งสํารวจใ่อยๆเนี่ยสํารวจรายไตรมาสอย่าสํารวจรายวันจะสับสนเพราะไม่ว่าฝีมือดีแค่ไหนนะการภาวนาเนี่ยเราจะพบว่าจิตมีธรรมชาติเจริญแล้วก็เสื่อมยั้นถ้าเราดูรายวันนะเราจะงงวันนี้ดีพรุ่งนี้แย่วันนี้ดีพรุ่งนี้แย่อย่างเงี้ยสับสนหรือเช้าดีตอนสายแย่ค่าๆดีอะไรเีดูแล้วงง เราวัดเป็นรายไตรมาสหลวงพ่อเมื่อก่อนวัดได้ถึงขนาดว่ากิเลสเหลือกี่เปอร์เซนต์เราวัดใจเราได้นะเรารู้เลยว่าเหลือสักเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่วัดเนะแต่อย่าวัดแบบไบแอชนะวัดแล้วโอ้ใกล้หมดล้นะดูอย่างซื่อตรงสังเกตตัวเองพลังของกิเลสเนี่ยลดลงไหมมันวัดได้จริงๆถ้าหากมันก้าวหน้าขึ้นนะก็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 งั้นเราไม่อยากตกรุ่นนะไม่อยากตกรถไฟเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีรถไฟนะมีไหมยังมี <c oughs> งวันนี้เนื้เลิกไปแล้วเห็นมีรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยดูทันสมัยเราอย่าไปตกรถไฟฟ้าก็แล้วกันตกรถไฟฟ้านี่ตายแง่แง่เลย <c oughs> ตกรถไฟยังพอรอดนะมันวิ่งไม่เร็วระวังตามเพื่อนไม่ทันระวังตามครูบาอาจารย์ไม่ทันงนะะะั้นเราอย่าประมาทนะเราสารวจตัวเองเรื่อย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 แล้วก็กินกับดูหุนลูกของหลวงพ่อก็รู้นะกินกับเก่งกินเล่าไม่เก่งอ่ะไม่กินหรอกนะนี่เราประพฤติตัวของเราคงที่แรกๆเขาก็แซวนะไม่กินเหล้าก็แซวนะลูกผู้ชายต้องกินเหล้ามาถึงวันนี้เราหันไปมองลูกผู้ชายทั้งหลาย <c ười> มันอเนกอานาถอนาถาแต่ละคนมันไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยของเราไม่กินเหล้านะสมัยก่อนคนก็หัวเราะไม่สูปูรีนะ ไม่ไปหลอกใครต่อใครอ่ไงเงี้ยก็ดูประหลาดาสังคมส่วนใหญ่มันหลงโลกกันแต่ว่าเราคลองตัวของเราเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยพอนานนานไปเนี่ยใครมานั่งกับเราเนี่ยไม่กล้ากินเหล้าเก่งใจเราละเคยมีขี้เมาคนหนึ่งนะตอนนั้นหลวงพ่อไปเรียนสถาบันจิตวิทยากวมั่นคงอายุน้อยเกือบที่สุดเลยมีอ่อนกว่าราอีกคนเดียวนั่นเขาเป็นเลขาของรถเมย ขอสอมอัครก่อของเราชั้นพิเศษเร็วเราไปเร็วอายุน้อยะมีคนหนึ่งมันขี้เมาขี้เมาพยายามจะมาเข็นเรากินเหล้านะเราต้องแกล้งมันสักวันหนึ่งนะอาสาชงเหล้าไว้ให้เขานะอชงของเขาแนละของเราใส่โซดาแล้วก็หยอดโคกนิดหน่อยสองสามหยดนะั่นเหมือนเปียบเลยนะมามึงอยากชนแก้วกับเรามาเป็นชนสักกลิ้งไปเลยนะโอ้ หลังเที่ยวไปคุยแล้คุณประมน์นี่คอแข็งจริงจริงมันก็ต้องรักษาตัวรอดเหมือนกันนะไม่ใช่ซื่อบือ้อไม่ใช่แข็งกระดกกระเดกทีก็กลมกลืนกับเขาแต่เราก็ต้องใช้สติปัญญารักษาศีลของเราให้ไดนะ้พอเวลาผ่านมานะแค่เรานึกถึงศีลที่เราเคยรักษาไว้เราก็ชุ่มชื่นใจลนะ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 ยังมีชาวบ้านคนหนึ่งนะครับมาใส่บาตรเสร็จแล้วยิ้วปิ่นโตมานะจะเอากุ้งฝอยมาตกปลากระพงยิ้วปิ่นโตมาที่วัดพอเราฉันเรียบร้อยแล้วน่าจะรู้โมทนาซะหน่อยว่าแม้ใจบุญจังเลยขอหวยลองทุนแล้วต้องเอาทุนคืนละนะเอาหวยบอกโอ้ยไม่มีหรอกถ้าเรารู้นะเราคงไปซื้อเองรวยไปแล้วแหละนี่เรายังต้องบินทบาทกิจเลยไม่มีเลยเสื้อผ้าอะไรก็ไม่ค่อยจะมีหรอก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 นั้นขอเครื่องรางของขลังขอพระเครื่องบอไม่มีพระเครื่องก็ไม่มีแจกเข้าไปตั้งแต่ก่อนจะบวชแล้วนะไม่มีท่านั้นขอตัดจีวรไปหน่อยบอกไม่ได้มีอยู่ผืนเดียวนะแต่ไปเราก็เป็นพระจีวรแหว่งสิตกลงก็เลยไม่น่านับถือแล้วพระองค์นี้นะก็ดีไปอย่างใช่ไหมพรวกนี้ก็ไม่มายุ่งกับเราแต่ก็ไม่มาโกรธอะไรเราก็รู้สึกพระขีก้กิก๊กแต่ก็ไม่มาโกรธ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 คนซิ่งเขามีตามีหูก็รู้นะเห็นหน้าเขาบอกเลยเขารู้เลยว่าลูกศิษย์ใครพูดถึงขนาด น, นี้นะอย่างหลวงพ่อคําเขีย น, นท่านบอกเลยเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าลูกศิษย์ใครถราเรียนกับหลวงพ่อจิตมันจะตืดเราไม่ได้เรียนให้มัวเมาไม่ได้เรียนให้เคลอบเคลิ้มกรรมฐานส่วนใหญ่ที่ฝึกกันนั้นเป็นกรรมฐานเคลอบเคลิ้มภาวนาแล้วก็ซึม ซ, มซึมเสื่องเสื่องภาวนาแล้วก็นิ่งนิ่งเงียบเงียบง่อยงน่ะ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 นิ่งๆซืบื้ออยู่ในอารมณ์มันเดียวซึมๆอยู่ในอารมณ์มันเดียวสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาวิธีทําจิตให้ตั้งมั่นมีสองวิธีนะแต่เดิมหลวงพ่อรู้จักวิธีเดียวพอหลวงพ่อหัดสมาธิมาแต่เด็กหัดทำสมาธิมา้เรียนจากท่านพ่อหลีวัดโสกรทำทําสมาธิจิตนิ่งจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเด่นดวงอยู่นั่นะ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 อย่าไปประครับประครองให้มันแข็งแข็งเมื่อก่อนหลวงพ่อเรียนจิตวิยาตอนอยู่จุฬาอาจารย์เคยสอนนะบอกพระเคาะห์ระคังแล้วน้ำลายไหลเนี่ยพระเคาะหระคังแล้วใครน้ำลายไหลบ้างเห็นไหมหลวงพ่อพูดตลกปุ๊บรู้สึกไหมใจปุ๊บปุ๊บปุ๊บใจหนีไปละนใจเราหนีทั้งวันนะเวลาเราดูใจเราก็หนีไปอะลองดูพระพุทธรูป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 ทวนเข้ามาและอริยามรรคเกิดขึ้นนะจะประหัตประหารทําลายสังโยชน์ลงไปกนะ็แหวกอาสวะกิเลสขาดชั่วคราวนะอาสวะกิเลสถูกแหวกออกชั่วครั้งชั่วคราวนะแป๊บเดียวก็จะเข้ามาปิดใหม่จิตถูกอาสวะครอบงําอย่างเดิมนะแต่สังโยชน์ขาดแล้วขาดเลยีากครั้งที่1ครั้งที่สองครั้งที่สามจนครั้งที่4เนี่ยนะจิตจะหลุดพ้นจากอาสวะไม่ถูกอาสวะห่อหุ้มอีกต่อไปละ นั้นเราจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะจะถึงความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ต้องรอสอขอสอของใครไม่มีใครส่งสอขอสอให้สักใบหลวงพ่อน่าสงสารแค่ไหนปีนี้ไม่มีสอขสอสักใบเลยแต่หลวงพ่อมีความสุขนะยิ่งยอมไม่อยู่นะยิ่งมีความสุขเยอ ะ, ะยอมมาก็ไม่มีความทุกข์หรอกนะแต่เป็นเหนื่อยอยู่ลำพังเราสบายสบายมีความสุข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 ขออภัยที่เลดว่าธรรมะติดทันเชิญไปทานข้าว